เมื่อรายที่ใจกลับมาชอบเพศตรงข้ามได้จึงบรรลุทำได้ดิฉันชอบเพศเดียวกันจึงสงสัยว่านี่เป็นความจริงหรือไม่รู้ก็รู้รงกายเป็นชายแต่ใจกลับกันหาจะขอแคบเพียงชั่วคราวที่ใจต้องการเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนระว่างซ้อนทั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 บทความโดยดังตรินจากวิทยาสารธรรมมากไล่ตัวชบับที่56เสียงอ่านโดยโจโชวกกภายนอกใช่ไหมตอต้มายังไม่ต้องการอยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เรื่องของใจมีมีแหตุห้น